สังขิตนะปัญจุปาตานักคันธาดุกาเอวังภาคาจากปันสาปกวโตสาวกเกสุอนุสาสนีพระหุลาปวตติรูปังอนิจังสัพเพธรมาอนาตาตติว่าโดยย่อขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ หนึงคสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปไม่ที่อย่างรูปไม่ใช่ตัวตนสังขารทั้งหลายไม่ ท, ที่อย่างธรรทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนดังนี้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุ กระจายสิ่งแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับรุนโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาภัยบุ์อาภิปุณโญมาพบกับตัมบูฟังเป็นประจำทุกวันโดยในตุวนาการนั้นเป็นช่วงของจิตตะวิเวกที่เราจะใช้เวลาอยู่ร่วมกันทําสมาธิประมาณ60นาทีตั ม, มูฟังเรามาปฏิบัต ทำสมาธิไปด้วยกันวันนี้เรามาใคร่โครนพิจารณาธรรมะเรื่องรมานุปัสสนาสเิปฐานคือการใคร่ครนซึ่งธรรมะในบทพี่พระพุทธเจ้าันนท่านสอนไว้เป็นอย่างมากถ้าเปรียบเทียบในสัดส่วนเรื่องของอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธและมรร จะสอนมากที่สุดคือสอนเรื่องทุกข์กับมรรคนี่ไล่เรียกกันมาเลยทุกข์นี่จะมากกว่าซะหน่อยหนึ่งมรรคนี่ก็จะน้อยกว่านิดนึงเท่านั้นเองส่วนที่สอนเราลงมาก็จะเป็นเรื่องตัณหาและเรื่องนิโรธคือความดับตนาเนี่ยน้อยที่สุดซึ่งส่วนมีความสําคัญทุกฝั่งก็เหมือนกับคุณครูที่สอนหนังสือนักเรียนเนี่ยนะ ถ้าตรงไหนสําคัญนี่นครูจะเน้นแล้วเน้นอีกย้ําแล้วย้ําอีกนี่ให้เรามั่นใจเลยว่าแล้วข้อสอบมันจ อ, อมันจะออกตรงนี้ข้อสอบมันจะออกตรงขันห้านี่ท่านจึงแนะนําเน้นย้ําเป็นอย่างมากเวลาเราจะเจอปัญหาอะไรในชีวิตสักอย่างได้อย่างหนึ่งไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงิน เรื่องความสัมพันธ์เรื่องสุขภาพนั่นเลยคันหากล่าวโดยยอดทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่จะต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทั้งหมดนั้นอยู่ในคันหา้าเราเรื่องคันหาน้าเนี่ยทุกฝั่งวันนี้มาทำการพิจารณามาเจริญสมถวิปัสสนาไม่ใช่แค่ว่าจาได้ ทงได้ว่าคุณสมบัมันเป็นยังไงประกอบด้วยอะไรมันจะเป็นการภาวนาก็นะเพราะว่าถ้าจะภาวนาในขันธ์้าได้สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างคนที่จําได้กับคนที่ภาวนาเป็นคือมันเรื่องของสตินั่นเองจำได้ไหมายรู้บางคนบอกนั่นคือสติไม่ใช่สติคือความระลึกได้ไม่ใช่ระลึก เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นทั่วไปจำได้นี่บางทีมันไม่ได้เลือกได้นะจำได้นี่คือเพลินไปตามความจำก็มีเพลินไปตามความคิดในเรื่องที่เราคิดนึกอยู่นั้นก็มีเหมือนกันนะคนที่มาดูรู้ลมหายใจคนที่เพลินไปตามลมหายใจเพลินไปในปัจจุบัน ความระลึกได้หรือสตินั้นคือการไม่เผลอไงการไม่ลืมไม่หลงไม่เผลอไม่เผลนคือถ้าเผลนมันก็ความหมายอันเดียวกันกับคาว่าลืมลืมอะไรเผลอสติไงลืมคือเผลนคือเผลอไม่ลืมคือไม่เผลอไม่เผลิน ไม่เหลืมก็คือมีสติมีสติเลิกถึงอยู่ในที่นี้คือลมหายใจเราเอาลมหายใจเป็นเครื่องมือมาประกอบการพิจารณาวันนี้ต่อไปเราลมหายใจของเราที่ผ่านออกผ่านเข้าอย่างเป็นธรรมดา น, นี่แหละเอามาใช้ให้มันเป็นธรรมานุภัสนาสติวิฐานเอามาใช้ให้เป็นการเห็นธรรมในธรรม เห็นยังไงก็เริ่มจากการเห็นลมหายใจคนนี่แหละขอนตอบฟังหายใจเข้าก็รู้สังเกตได้จดจ่ออยู่หายใจออกก็รู้สังเกตได้จดจ่ออยู่แต่ไม่ตามลมสังเกตอยู่นะที่ตำแหน่งเดียวสังเกตอยู่นะที่จุดเดียวจุดเดียวตำแหน่งเดียวสังเกตดูอยู่นี่ ให้ไม่ต้องบังคับลมให้ไม่ต้องตามลมไม่ต้องบังคับให้มันเร็วช้าร้อนเย็นทีห่างลึกสั้นไม่ต้องเอาธรรมชาติธรรมดาเราก็ไม่ต้องตามลมเข้าไปจนถึงคอถึงอกถึงท้องหรือตามออกมาข้างนอกจนถึงริมฝีปาก จนถึงสิ่งต่างๆข้างนอกไม่ต้องแต่ให้รู้อยู่นะที่ตำแหน่งเดียวบรเวณด้านในประโลมจมูกที่เราจะรับรู้ถึงกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นกลิ่นดอกไม้กลิ่นอาหารตรงนั้นเอาจุดนั้นเป็นประมาณเอาตำแหน่งนั้นเป็นประมาณเอาความรู้สึกธรรมชาติธรรมชาตินี่แหละเป็นประมาณไม่ต้องไปมากถึงขนาดว่า เท่านี้มิลลิเมตรเข้ามาจากปลายจมูกหรือจะต้องเป๊ะมากขนาดบัดเท่านี้ตารางมิลลิเมตรอยู่ด้านในโปรงจมูกนี่ไม่ต้องเป๊ะแบบนั้นก็ธรรมชาติธรรมดาเอาพอกําหนดได้กําหนดเราเนี่ยแหละมันคือการจดจ่อไว้มันคือการรู้ได้มันคือสตินั่นเองกําหนดไว้ เฝ้าสังเกตดูระดึกให้ได้เฮ่ง จ, จอนี่คือคําที่มีความหมายคล้ายกันในการที่เราเริ่มตั้งสติขึ้นแล้วจากว่าที่เราตั้งสติขึ้นดูรู้โยโลหมายใจนี้บูฟังเราก็คิดไปด้วยก็เอาความคิดมาเลยคิดนี่แหละคิดเออคิดด้วยสมาธิมันคือการทำวิปัสสนาไง เพ่งพินิจโยนิโสมนัสิการไตรตรองไกรกรนุนโดยแยบกายด้วยใจของเราความคิดเนี่ยเป็นอะไรอ่ะอ๋อมันก็เป็นธรรมารม์อย่างหนึง่งเป็นวิโตกพิจารณ์เออแต่คิดเรื่องการพยาบามบียดเบียนเขาก็ไม่เรียกว่าเป็นวิตกพิจารณ์ละเขาก็เรียกเป็นความคิดในทางอกุศล ถ้าคิดเรื่องออกจากกรรมเรื่องไม่พยาบาทเรื่องไม่เบียดเบียนใคร <c oughs> ก็เรียกว่าเป็นวิตกวิจาร์เป็นความคิดที่มาในทางกุศลเราตั้งความคิดนี้เอาไว้เป็นธรรมารมแน่นอนดูฝังธรรมารมต้องอยู่ในช่องทางใจเราจึงใช้ใจคิดไงใจเนี่ยเป็นที่ที่จะให้ ความคิดนี่มันจะเกิดขึ้นแต่เวลาเราจะคิดเราจะนึกเราทำด้วยจิตของเราเพราะว่าจิตนั้นมันเป็นตัวที่จะมาก้าวลงยึดถือในตมารมมาปรุงแต่งต่อเนื่องต่อไปมาเป็นตัวที่จะเปลี่ยนแปลงสัญญานี้ธรรมารมณ์นี้ใ้จังหวะที่จิตมันมาคิดนี่มันมาปรุงแต่งเมันมาเปลี่ยนแปลง ให้สำเร็จรูปโดยความเป็นอีกอย่างหนึ่งขึ้นมากระบวนการนี้ปัญญามันจึงเกิดขึ้นไง่านปัญญามันจะเกิดขึ้นเหมือนคุณเอามีดเข้าไปใส่กับหินลับมีดใส่ไปใส่มาใส่นี่คือไปไถมันไปถูมันกระบวนการหูฝนไถ เ, เรียกว่ารับรับมีดที่หินรับมีด ความคมเกิดขึ้นตามมาจากที่ทื่อๆมันก็คมใส่ก็ไปเนี่ยไถก็ไปเนี่ยถูก็ไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเอาตรงด้านสันมันถูเข้าไปนะมันก็ไม่คมใช่ไหมล่ะหรือเอาตรงคมมีด ใ, ใส่ลงไปเลยโอ้ยมันยิ่งทื่อลงไปใหญ่มันต้องทํามุมสิบสององศากับหินรับมีดตรงด้านคมของมัน ไถใสไปทางเดียวกีระยานี้เขาจะเรียกเป็นการลับเหมือนกันเนะเวลาเราจะเอาจิตไปคิดนี่คือไปปรุงแต่งนี่ไม่ใช่บปรุงแต่งนั่นนี่นอนละเหมือนจ ะ, จ, ะจะเกิดปัญญาขึ้นมาได้ไม่ใช่นะจิตเราเหมือนเป็นมีดไอ้เจ้าความคิดนึกต่างๆที่ผ่านมาเหมือนเป็นหินลับมีดอยู่ด้วยเราใส่เข้าไปยังไงไง ถ้าเราใส่ด้านด้ามลงไปโมหะเกิดถ้าเราใส่ด้านคมลงไปทำมุม90องศากับหินรับมีดมันก็พังมีดมันก็ไม่เป็นมีดแล้วมันก็ไม่คมแต่ต้องทำมุม17องศาถึง20องศายิ่งน้อยได้อย่าง12องศายิ่งดีทำมุมกันแบบนี้ไถเข้าไปไถเข้าไปส่เข้าไปใสเข้าไปลูกเข้าไปลูกเข้าไปลูกคมนี่คือต้องลูกที่องศามัน มันถึงจะคมยิ่งขึ้นมาถึงจะมีความแข็งแรงในการที่จะใช้เป็นมีดได้เวลาจิตเราไปคิดเรื่องอะไรก็ตามบุฟังไม่ใช่วัาศัก์แต่วัดปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งไปบางทีไม่คมหน้ำซ้มยิ่ ง, งโง่ลงจิตถ้าปรุงแต่งเรื่องอะไรแล้วเกิดมีความเศรหมองได้แก่ความลุ่มหลง ความพอใจกำหนัดอินดีหรือความโกรธความขัดเคืองหรือความไม่เข้าใจความไม่ลงใจก็คือราคะโทสะโมหะไงนั่นคือเครื่องเศร้ามองใจทำปัญญาที่จิตนั้นให้ถอยกำลังใจเศร้ามองแล้วจิตก็เศร้ามองไปด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะปรุงแต่งคิดนึก จะพิจารณาเรื่องอะไรต้องเป็นไปตามกระบวนการของอริยสัว์สีต้องเป็นไปตามกระบวนการของอริยสสมรรค ม, มีองค์8ต้องเป็นไปตามกระบวนการของคำสอนพระพุทธเจ้าจึงจะเกิดปัญญาชนิดที่เป็นโลกุตระแน่นอนนะต่างฟังว่าคือ พ, พระทธเจ้าก็ม่ได้จะพยายามเคลมว่าแบบฉันดีที่สุดเจ๋งที่สุดคนอื่นไม่ดี ท่าก็ม่ไดเคลมอย่างนั้นนะไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่เวลาเราพิจนารณาเรื่องหนึ่งเนี่ยบางทีก็ปัญญาเกิดไงแต่เป็นปัญญาในทางโลกยะไม่ใช่เป็นปัญญาในทางโลกุตระอย่างเย็นทักษะการพูดทักษะ critical thinking ความคิดวิเคราะห์แยกแยะอย่างเวลาแพทย์พยาบาลก็จะดูว่าไอ้คนไข้เป็นอะไรจะรักษาอย่างไงเขาก็ต้องมีความคิดแบบนั้นปัญญานี่มันมันเกิดอยู่แล้วละ่ะ แต่เป็นปัญญาในลักษณะที่ยังเป็นโลกิยาปัญญาใช้ในการทำงานนักบัญชีนักคณิตศาสตร์แก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอะตอมทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีพวกนี้ก็มีปัญญาอยู่แล้วแล้วก็มีระบบความคิดนึกที่เขาใช้จิตไปนในการปรุงแต่งให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็เป็นปัญญาชนิดที่เรียก ว, ว่าเป็นโลกยปัญญา ยังเนื่องด้วยโลกอยู่อย่างเนื่องด้วยของหนักอยู่ยังมีส่วนแห่งอาสวะอยู่ยังเป็นไปเพื่อที่จะต้องเกิดแล้วเกิดอีกอยู่แต่ถ้าจะให้ปัญญาชนิดที่เป็นโลกุตระเกิดขึ้นที่จิตของเราจิตของเราลักษณะการใบปรุงแต่งจะคิดนึกวิจารณาไตรตรองเรื่องอะไรก็แล้วแต่ วิธีการปรุงแต่งนั้นจะต้องเป็นเรื่องของอริยสัจสีเท่านั้นพิเรียดเลยจมหวังไม่มีอื่นไม่มีทางอื่นไม่มีช่องอื่นไม่มีกระบวนการอื่นที่จะทำโลกุตรัปปัญญาให้เกิดขึ้นไม่มีแล้วนะจะเปรียบเทียบกันระหว่างปัญญาโลกิยะกับปัญญาโลกุตรานี่ ปัญญาโลกิยาเรื่องธรมหากินคุณเก่งเรื่องการพูดคุณเก่งเรื่องทักษะทางคณิตศาสตร์คุณเก่งเรื่องการพรีเซนต์คุณเก่งเรื่องการ้ายคุณเก่งเรื่องการต่อคุณเก่งเรื่องการเย็บผ้าทั้งหมดล้วนแะอาสวะมันยังเกิดได้อยู่ไงกิเลสมันยังเกิดได้อยู่กิเลสราคะโทสะโมหะบาทีก็ท่วมจิตใจของคนที่เก่งทั้งนั้นกฎหมาย เก่งทางด้านวิศวกรรมบางอยงทุกเรื่องงานอยู่ทุกเรื่องครอบครัวอยู่เป็นมันยังตัดไม่ได้ไงแต่ปัญญาด้านโลกุตระคือเป็นปัญญาที่จะตัดไอช้อกิเลสเนี้ยอไปที่บอกว่าในใจเราเศร้าหมองด้วยกิเลส ท, ที่เป็นอาคารตุกตาจอดมา ในช่องทางใจมีความเศร้ามองแล้วมันก็แปดเปื่อนจิตของเราทำปัญญาราให้ถอยกําลังปัญญาที่เกิดขึ้นในจิตเนี่ยมันถอยกําลังปัญญาอะไรปัญญาโลกุตระจะชําระกิเลสเรื่องเศร้ามองออกไปได้ก็เอาสมาธินี่แหละทุกวางเอาสิ่งสะอาดๆมาล้างไงเอาสิ่งสะอาดๆมาล้างสิ่งสกครกสิ่งสะอาดๆนั้นก็คือสติก็คือสมาธิ สติสมาธิเป็นเหมือนน้าใสๆน้ํา ส, สะอาดมาล้างสิ่งที่มันโ่งกระบาะออกไปปัญญามาช่วยชําระด้วยปัญญาโลกุตระจะมาช่วยชําระไอ้เจ้ากิเลส ท, ที่มันแบบว่าอยู่คราบมันลึกๆฝังแน่นๆนะคราาประเภทนั้นเนี่ยสมาธิอย่างเดียวมันร้างไม่ออก น้ำสะอาดอย่างเดียวที่ใช้ล้างนนมันล้างคราบสกปรกอื่นๆหนาๆชนิดที่เป็นหยาบๆออกได้แต่พอตามซอกตามเหลื่อมนี่มันต้องเอาเครื่องแซะเครื่องขัดด้วยใส่น้ำยาด้วยนี่เครื่องแซะเครื่องขัดนี่คือปัญญาไงกาน้ำยากัดน้ำยารักษานี่คือศรัทธาใส่ศรัทธาไปด้วย พิจารณาตามบริยัติสี่มากคแป่คือปัญญาสาราที่จะแทะที่จะขัดไอเจ้าสิ่งโสโครกคือราคะโทสะโมหะเห็นคราบชัดๆนี่นะคือราคะโทสะโมหะคราบลึกๆฝังแน่นๆนี่ น, น, น, นนะคืออวิชชาความเหนียวที่มันออกยากเนี่คือเจ้าตัณหาเราจะแทะจะล้างมันใช้น้ําสะอาดๆาดคือสมาธิ สาราเครื่องขัดยิ่งเป็นมอตเตอร์ไฟฟ้านี่หมุนหมุนจอเข้าไปนี่ยนั่นคือปัญญาจะให้สมาธิที่เป็นเหมือนน้ำสะอาดเกิดขึ้นตั้งสติวัยดุวังอยู่กับลมใช้ปัญญาโลกุตระที่เป็นเหมือนดังสาราแปลงขัดพร้อม ก, กันกับน้ำยาเราก็ต้องเกิดจากการเคราเหครวญพิจารณาธรรมะ เราใช้ลมหายใจเป็นคเครื่องมือสังเกตดูไม่ตามความคิดนึกอย่างอื่นความคิดนึกอย่างอื่นอันใดมาก็ไม่บังคับไม่ต้องบังคับจิตให้ไม่คิดหรือต้องคิดเรื่องนี้แต่มีการสังเกตดูเฉ ย, ยสังเกตดูลมแต่ความคิดนี้จะมากกว่ามากแต่ความคิดนี้จะไปกว่าไปแต่ไม่ลืมหลม พอเราไม่ลืมลมแล้วจิแตแทนที่มันจะเผลอเพลินไปตามความคิดนึกที่มาที่ไปนี่มันไม่เผลอไปไงมันไม่เปลิไปไนไ ป, ไปพรอเรามีสติอยู่กับลมนี่จิตก็จะค่อยระ ง, งับลงระ ง, งับลงความระ ง, งับลงนั้นก็จะปรากฏรูปที่เราเรียกว่าความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวนันคือสมาธิน้อยก็ตามดูวังหรือมากก็ตามเป็นสมาธิได้หมด เหมือนน้ำที่มันตกตะกอนนี่แหละถ้าตั้งไว้นานามันก็ตกตะกอนเยอะมันก็ใสามากถ้าตั้งไว้ไม่นานามันก็ตกตะกอนยังไม่เยอะมันก็จะขุ่นๆนิดหน่อยอะจจะพอใช้งานได้แล้วด้วยเช่นเดียวกันสมาธิที่เรามีมากก็ตามน้อยก็ตามแล้วนี่มาพิจารณาพิจารณาเรื่องอะไรกูบอกละ ง, ง่ายอว่าจะให้ปัญญาโลกุตระมันเกิดนะ จะพิจารณาเรื่องอื่นอะไรใดไม่ได้เลยนอกจากอริยสัจสนอกจากมรรคแมรรคแปดอริยสัจสีมันก็เดียวกันนั่นแหละในมรรคแก็มีอริยสัจสในอริยสัจสก็มีมรรคแปอธิบายจาก2มุมแต่เรื่องอะไรก็ตอนนั้นเองในอริยสัจสที่เรากำลังคุยกันอยู่นี้เราเรื่องทุกมาในการพิจารณา ที่เรามาคิดเรื่องทุกข์ด้วยสมาธิให้เห็นตามความเป็นจริงนั่นก็คือมรรคไงเวลาเราพิจารณาเรื่องขันห้าก็ต้องใช้องค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างเข้ามาจับทำไมงันนะการคิดขันห้านี่ทุกคนมันคิดหมดทุกวันตลอดเวลาอยู่แล้วนะเช่นนังโฆษณานังโฆษณาก็ า, าจะคิดแคมเปญอันใดอัหนึ่งขึ้นมาให้คนซื้อของนี เขาก็คิดเรื่องขันหน้านี่แหละเอาจะขายครีมเงี้ยจะขายครีมโมหน้าขายครีมโมะอผมเงี้ย ม, ม, มันก็รูปนั่นแหละเออใช่ให้เกิด feeling ให้เกิด emotion คือความคิดเีย like ให้เกิดอารมณ์คล้อยตามให้ว่าสวยเป็นอย่างนี้อออาไม่สวยเป็นอย่างนี้ราคาเท่านี้มีอารมณ์ความรู้สึกอะไรต่างๆเชื่อมอยู่หมดเลย รวมความสุนับเวทนาสัญญาสิ่งของนั้นที่ขายกับรูปไงก็คิดเหมือนกันหนหะ เ, เรื่องขันห้าคิดเหมือนกันแต่ว่านั่นเป็นเขาเรียกว่าอะไรโลกิยะปัญญางนฟังทำไมอ่ะเพราะไม่ได้เอาองค์ประกอบอันประเสริฐ8ดอย่างใส่เข้าไปด้วยก็มันไม่มีตรงไหนก็มันคิดวเรื่องการมันละเออถ้าคิดเรื่องการมันก็ไม่ใช่สมาสังกปะ คิดเรื่องความสวยงามลุ่มหลงเปลื่ยนเปลินพอใจเราอารมณ์อย่างนี้เออใช่ถ้ามีอ น, นิอยู่มับก็มิจฉาสังกปะแล้วมันก็ไม่เป็นสมาสังกปะคิดเรื่องขันหันนั้นมันไม่ใช่ให้เกิดโลกุตระปัญญาแต่เป็นโลกิยะปัญญาไงมันก็ยังมีการเพืเ่อเพลินลุ่มหลงบางทีเพลอคิดหนาเข้าป่วยประสาทอีกเมื่อนอีกเป็นโรคทางกายต่อไป หาเงินได้อยู่ทำมาหากินได้ด้วยปัญญาแต่ไม่ใช่โลกกุศปัญญาไงเพราะนั้นจะพิจารณาเรื่องอะไรมันเป็นขันธ์ห้าหมดน ว, วงังต้องเอาองค์ประกอบอันประเสริฐปอย่างใส่ไปด้วยจึงจะเรียกว่าเป็นอริยะคือประเสริฐเรียกว่าเป็นสัจจะคือความจริงจึงจะเรียกว่าเป็นอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐประเส ร, ริฐยังไง เพราะว่าพเราใส่สมาทิฏฐิเข้าไปใช่ไใส่สมาสังกัปะเข้าไปเนี้ยมันจะไปคิดเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยมันมันไม่ได้เลยเงมันจะไปคิดทางกามทางพยาบาทรหรือจะไม่เข้าใจเรื่องเหตุเรื่องผล ม, มันไม่ได้เลยเพราะมันต้องเข้าใจเรื่องเหตุเรื่องผลคือสมาธิฐิอยู่ในนั้นจะไปคิดลุ่มหลงเพลิ น, ลนก็มันมีสมาสังกัปะอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นถ้าจะคิดเรื่องขันธห้าอย่างนี้คิดแคมเปญอะไรสักอย่างหนึ่งี้ โดยสัมมาสังปกปรานี่ไอความคิดที่จะให้เขาเพลินหลอกลวงเผลอมันไม่มีเลยอ่าอันนี้เขาทาละคิดแบบนี้นี่คือเหมือนกับเอามีดทำมุมส7บเจ็องศาใส่กันกั น, ก, นกับหินลับมีดแต่ถ้าคิดเรื่องแคมเปญโฆษณานี่ก็คือเอาหินลับมีดทำมุมเก้าสิบองศ า, านะมีดมีแต่จะทื่อลงจะปวดประสาทแต่ถ้าบอกว่าเราคิดให้มันดี ใตรตรองให้ถูกต้องโดยการคิดเรื่องขัน5ตามแนวของอริยสัจว์4ที่ประกอบด้วยมรรคมีองค์8คิดเลยทุกวังท่านจึงแจกแจงไว้เป็นคำสอนที่สอนไว้มากที่สุดเน้นตรงนี้มากข้อสอบจะ อ, อตรงนี้แน่นอนคุณครูนะคุณครูเวลาก็สอนนักเรียน ข้อสอบก็จะออกตรงไหนเนี่ยอือมอก็จะเน้นมากเลยยิ่งถ้าบอกว่าสอนพิเศษด้วยแล้วนะคือบางทีบอกก็สอบเลยเอหงิกเกรงใจกันหน่อยก็บอกก็สอบแล้วก็วิธีทําแต่ถ้าไม่เกรงใจกันเลยก็บอกก็สอบด้วยแล้วก็บอกคําตอบด้วยแป๊ะแป๊ะเลยเนี่ยแหมก็มันจะออกตรงนี้เพราะพระเจ้าของเรานะทุกฝั่งคือไม่เกรงใจใครเลยนะเวลาประกาศริศีสอร์ทนี่บึมบึมบึมเลยนะ ไม่เกรงใจมาไม่เกรงใจอินไม่เกรงใจพรม้มเอาเต็มที่เลยเวลาท่านบอกนี่บอกข้อสอบด้วยบอกคำตอบด้วยว่าถามนี่มันจะถามอย่างนี้โจทย์คุณจะเจออย่างนี้แล้วเวลาคุณตอบคุณต้องตอบอย่างนี้สิ่งที่ต้องตอบนี่ต้องใส่องค์ประกอบอันประเสริฐแปดอย่างเนี่ยลงไปคำตอบอยู่ตรงนี้ คำถามนี่มันจะออกเนี่ยบรจสตรงขันห้าคุณออมมัก8ใส่ลงไปในขันห้าคุณหนึ่งก็ตอบถูกเวลาเราจะคิดใครควญเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตของเรามันคือขันห้าอยู่แล้วค่ะถ้าเราไม่ตอบให้มันผูกคือไม่ใส่มักแปลงไปเห็นดที่ว่าว่าบางทีปัญญาโลกิยะเกิดแต่บางทีราคาโทรศัพท์มือถือเรื่องสมองใจ ทำปัญญาโลกุตระให้ต่อกาลังมันก็เกิดไงสิ่งนั้นเกิดแล้วอะไรราคาโทรศัพท์โมหะมันก็ตามมาจึงเรียกว่าทุกข์ไงทุกข์เนี่ยมันคือถึงสิ่งนี้เราเป็นทุกข์เป็นทุกข์ทุกปันอยู่นี้เพราะว่ากิเลสมันบีบคั้นหัวใจเราเราจะบอกให้เราทุกข์เรื่องสิ่งแวดล้อมเราทุกข์เรื่องการเมืองเราทุกข์เรื่องการเศรษฐกิจเราทุกข์เรื่องคนนั้นคนนี้เพื่อนข้างบ้านสภาพอากาศโอเอยเหมือนหมาในฝันงเหมือนทุก ผูกอยู่ที่เสาด้วยเครื่องผูกที่เขาผูกไว้แน่นเลยนะแต่หลวมแน่นนี่นมันแก้ได้ยากผูกไว้ที่คอหลวมๆไม่ให้หลุดนะแต่ไม่ให้แน่นเกินไปที่แน่นเนี่ยคือเงื่อนมันแน่นเวลาสุนัขตัวนี้มันจะเดินจะนั่งจะยืนจะนอนจะวิ่งมันอยู่ได้แค่ตามรัศมีของเชือก รัศมีของเชือกก็คือตันหาไอจุดศูนย์กลางของมันที่เป็นเขตทาให้มันไปไม่เกินรอบรัศมีขอบเขตตรงนี้คืออวิชาที่มีศูนย์กลางอยู่คือไอเสาตัวนี้ที่มันโผล่ออกไว้อวิชาตันหามันล็อกหลาเอาไว้เราก็มองไม่เห็นมันด้วยซ้ำเหมือนสุนัขเนิหน้าสุนัขมองไม่เห็นด้วยซ้ำมันก็วิ่งไปวิ่งหน้าวิ่งหลังจะนั่งจะนอนก็อยู่ในวงราบของเชือกแล้วก็เสานี้เท่านั้น เราคิดว่าปัญหาอยู่ข้างนอกนั่นคือคุณคิดผิดแล้วไม่ถูกอย่าเป็นเหมือนสุนัขที่กขาผูกผูกไปที่เครื่องผูกอย่าเอามีดไปรับกับหินด้วยมุม90้าบองศาแต่เวลาเราคิดเราตรึกตรึกระไรตรองใกล้กรวนปรับมุมนิดหน่อยทุกฝังปรับมุมนิดหน่อยคิดเปลี่ยนแนวนิดเดียวคิดเรื่องขันหเดิมนั่นแหละคุณจะคิดเรื่องแคมเปญโฆษณา โอเคไม่มีปัญหาแคมเปญโฆษณาใช่ไหมอย่าใส่เรื่องกรารลงไปอย่าใส่เรื่องาบาปบาตรลงไปอย่าบม่มเพาะนิสัยของการปิดศีลแต่ให้บม่มเพาะนิสัยของการทํำสินน้มันถูบม่มเพาะความที่จะหลีกออกจากกรามความไม่เพลิดเพลินรุ่มหลงเ อ, อโฆษณาแบบนี้ดีนะโฆษณาที่มันเป็นดีๆมันก็มีนะฟังโฆษณาเสริมสร้างคุณธรรมโฆษณาซาบซึ้งใจ มีดูแล้วให้เกิดความปลื้มปีติหนังภาพยนตร์ที่ทำออกมาดีๆก็เยอะแยะนั่ก็เพราะว่าใส่เรื่องมักรแปลลงไปในภาพยนตร์คือในขันห้าที่คุณคิดนั่นแหละมันก็ดีขึ้นมาปรับมุมนิดหน่อยเปลี่ยนจาก90เป็น12หรือ17องศาในงานที่เราทำคุณใส่สี ล, ลงไปคุณใส่สมาธิลงไปคุณใส่สติลงไป คุณใสความเพียรคือปัญญาด้วยลงไปเฮ้ยไงเล่มก็ดีขึ้นมาเจ้ที่บางทีงานหน่าเบื่อสังกตายเป็นงานรูทีนอยู่ตามโรงงานเป็นงานทําความสะอาดดูเหมือนไม่มีค่าอะไรแต่พอ ร, ราใส่มากแปะลงไปงานนั้นมีค่าทันทีงานนั้นมีความพอใจชั้นตาขึ้นมาทันทีงานนั้นประกอบด้วยความเพียรที่เราใส่ลงไปทันทีมีค่าขึ้นมาเลยนะอยู่ที่วิธีคิดเนีงง่ยท่ฟัง เราจะคิดให้ถูกวิธีได้เริ่มจากการตั้งสไต็ขึ้นในที่นี้คือลมหายใจแล้วเห็นลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจออกอยู่นี่โจทย์อยู่ตรงนี้นะคำตอบที่ท่านให้ตอบแนวทางที่ทให้พิจารณาวิธีการที่ท่าน้คิดก็คือว่าตามที่สอนไว้จะมีส่วนแห่งการจำแนกเป็นอย่างนี้ว่ารูปนั้นน่นนะไม่เทียงรูปปั้งอนิจจง เวทนานั้นน่ะไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาสัญญานั่นน่ะไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสังขารนั้นน่ะก็ไม่เที่ยงด้วยสังขาราอนิจจาวิญญาณไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจ์รูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตา สังขาระอนัตตาวิญญาณังอนัตตาสัพเพสังขาระอนิจจาไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนอนิจจังอนัตตาเวลาจะคิดนะเห็นด้วยสติสัมปชัญญะจจตเลงให้ดีนะั่นคือสติปรุงแต่ง คือสังขารตามแนวว่าเฮ้ยไม่เที่ยงนะเห็นอย่างนี้นะเฮ้ยไม่ใช่ตัวตนนะเห็นอย่างี้นะเวลาจิตรับปรุงแต่งตามแนวอริยสัจใส่ก้านไปอย่างนี้ตอบอย่างนี้แล้วสับๆๆลงไปสับๆๆลงไปเหมือนเราใส่ใสมีดลงไปที่รับมีดด้วยแนวนี้นะคือ12องศา17องศานี่ความคมเกิดปรากฏที่มีดเล่มนั้น ปัญญาเกิดปรากฏที่จิตของเรานี้เวลาเราคิดนี่ดูว่ารูปไม่เที่ยงนี่รู้ลมไม่ใช่ไปด้วยนะการรู้ลมหายใจในขณะที่เราก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงไปด้วยนี่นั่นคือการเห็นธรรมในธรรมเห็นธรรมในธรรมดูยังไงว่ามันไม่เที่ยงที่ว่านิจังนิจังดูงไงว่ามันเป็นอนัตตาที่ว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตน ดูด้วยสมาธิไงเล่งให้ดีมันเล็งยังไงว่ามันไม่เที่ยงอ่ะเราก็ดูว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นตัวของมันเองไหมมันต้องอาศัยเหตุเงื่อนไขปัจจัยอะไรเกิดหรือไม่ถ้ามันต้องอาศัยเหตุเงื่อนไขปัจจัยอะไรอย่างอื่นแล้วจึงเกิดขึ้นเป็นตัวของมันเองเนี่ยสิ่งนั้นน่ะไม่เที่ยงล่ะเส้นอะไรคุณกลุ้มใจเรื่องอะไรคุณเป็นทุกข์เรื่องอะไร เอา่นมาคิดเอทุกเร года, ื Japan, ่องเศรษฐกิจเนะราก็เศรษฐกิจมาดูเศรษฐกิจใมาทีอะไรคุณจงลงดูก็เงินในกระเป๋านั่นแหละเงินในกระเป๋ามันน้อยมันก็เศรษฐกิจไม่ดีเงินในกระเป๋ามันเยอะเขาก็บอกว่าเศรษฐกิจดีโอเคเงินหมุนเวียนยังไล่ะเงินหมุนเวียนนี่มันดีไม่ดีมันดูจากอะไรกดดัชนีนั่นแหละดัชนีนี่กดดัชนีนั้นล่ะนี่มันมาจากอะไร ก็มาจากปริมาณเงินที่หมุนวนอยู่นั่นแหละแล้วปริมาณเงินที่หมุนวนมาจากอะไรดิมาสป라이นไงมีดีมามีสป라이นก็ไปได้แตมีแต่ดีมาไม่มีสป라이มีแต่อุปสงค์ไม่มีอุปทานมันก็ไปไม่ได้เราจะสร้างทงไงกดกระตุนเศรษฐกิจเนีอย่างงี้บา้าอย่างงั้นบา้าแล้วก็เชิญต่างชาติมาลงทุนบ้างเพรอันนี้มันเศรษฐกิจใหญ่แล้วแล้วถ้าขายของอยู่หน้าบ้านนี่ทำไงเราคุณมีทักษะการขายไหม คุณมีของที่ลูกค้าต้องการหรือเปล่ามาขายในเวลาเช้ากลางวันหรือเย็นตามที่เขาอยากจะซื้อไหมมันมีเหตุเงื่อนไขปัจจัยถามต่อสาวไปได้เนี่ยไม่จบไปทานผูฟังไม่จบแก้เหตุหนึ่งแล้วว่้ยถามันจะได้มันก็ได้อยู่แต่มันก็มีเหตุอื่นที่มันจะมาเกี่ยวข้องกันต่อไปอีกเหตุนั้นบางทีมันยังคงที่อยู่ผลลีไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรถ้ามีเหตุเงื่อนไขปัจจัยเนี่ยสิ่งนี้ไม่เที่ยงอะไรเนี่ยน ให้ปัญญาตรงนี้มันเกิดเนี่ยด้วยการเห็นตามนี้คือจะไม่เห็นก่อนนะเอาตัวอย่างที่แบบเปรียบเทียบส่วนตา่างในลักษณะที่ว่าไม่เห็นคือมึนเนี่ยคิดอยู่ก็จริงอะ่ะเอามีดก็ไปใส่กับหินรับแต่ดันทํามุมเก้าสิบองศาก็คือคิดเ ป, ปลือยไปละไปทางข้างนอกละทรงจิตอออเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้นี่นนนก็เผลอไปตามความคิดไปตามอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นราคะโทสะโมหะความสุขโรกมันก็เกิดขึ้น ใ น, ในใจิตใจของเราเคยขึ้นจากจิตโผล่ขึ้นมาในใจทําปัญญาที่เจตนนั้นให้เศร้ามองไปเปรียบเหมือนสุนัข ก, ก็คือตูกโผล่ว่าวิ่งไปวิ่งมาก็อยู่ที่นี่เราปรับปรเปลี่ยนใหม่อีกครั้งหนึ่งเปรียบเทียบส่วนตา ย, ยานะตทุกฝังนะเวลาคิดนี่ท่านบอกโจทย์ไว้ว่ามันได้คิดแน่ละ่ะบอกคําตอบไว้ด้วยนะว่าถ้าคิดหนึ่งต้องใช้ถึงความไม่เที่ยงนะ ให้เห็นปมความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงนั้นจะทำให้ปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วจะเป็นการชำระปัญญาในเป็นอันดับสูงสุดคุณจะบ่มฟักปัญญาให้เกิดขึ้นได้มันก็มีสมาธิมีสติมาก่อนด้วยปัญญาเป็นอันดับสูงสุดมีสมาธิมีสติเป็นตัวต่อขึ้นมามีศีลเป็นพื้นฐานไงศีลเป็นพื้นฐานศีลอยู่ไหนอยู่ในมัดแปดเป็นพื้นฐานของอะไร แต่ตอขึ้นมาเป็นความเพียรเป็นสติเป็นสมาธิงไงนี่คือชั้นกลางนั่นคือเรื่องของกองสมาธิสมาธิอยู่ไหนอยู่ในมรรคฐานนั่นแหละปัญญานี่เป็นระดับสูงสุดต่อยอดขึ้นมาตรงนี้อยู่ที่ไหนนี่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่จิตกระเรามันจะบ่มฟักมันจะพัฒนามันก็จะเหมือนกับสุนัขที่เขาหูผูกอยู่ที่เครื่องผูกนั่นแหละแต่เสานะแทนที่จะเป็นอวิชชาใช่ป่ะเสาคือสติจิตนี่ ที่มันเหมือนกับสุนัขวิ่งไปวิ่งมามันจะวิ่งไปหาเสียงตามที่เจ้าของเรียก้ด้วยสติตั้งไว้แบบนี่เออสุนัขไปไม่ได้ดึงใบดึงมันไปไม่ได้มันไม่ดึงแล้วมันก็นั่งเจ้านอนเจ้าอยู่ข้างเสาเกินเสาหลักเอาความที่มันนิ่งอยู่นี่มันก็อารมณ์มันเดียวสมาธิก็เกิดขึ้นเออมันก็จะเห็นนะว่าอ๋อเสามันอยู่นี่นี่นะเชื่อมันอยู่นี่นี่นะ เฮ้ยเราจะดึงไปทำไมให้โง่เรากนังเฉยๆแหละปัญญาเกิดไงทันทีตำรฟังเราเห็นตามความเป็นจริงนี่ด้วยการพิจารณาตามกระบวนการของอริยสัจสีการพิจารณาตามกระบวนการของอริยสัจสีเรียกชื่อว่าโยนิโสมนสิกรเพราะจิตเรามีการโยนิโสมนสิการตามในอริยสัจสีที่ต้องประกอบด้วยอง ของมรรคกันประเสริฐ8อย่างสมาธิก็อยู่ที่นี่สติก็อยู่ที่นี่ประกอบกันขึ้นประกอบกันขึ้นปรุงแต่งออกมาแล้วปัญญาก็เป็นระดับสูงสุดเกิดขึ้นไงเกิดขึ้นแล้วมีปัญญาเกิดแล้วไงต่อท่านผู้ฟังหลพิจารณาเมาริยะสัตสีอินลับมีดกับมีดใส่กันให้ถูกแล้วความคมไงท่านผู้ฟังเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นดิจิตปัญญาเกิดขึ้นที่จิตต้องไง เหมือนเครื่องขัดไงมันจะขัดให้คราบฝังลึกคราบแน่นออกได้ความคมของมีดเอาไปปาดเอาไปตัดสิ่งที่จำเป็นต้องตัดสิ่งที่จำเป็นต้องปาดได้เอะไรที่จำเป็นต้องขัดต้องปาดต้องทาความสะอาดอิชชาคิดดูังอยู่ตรงไหนนันย้อนกลับน้อมเข้าสู่จิตใ จ, ใจเรานะคือตอนนี้เราพอแล้วคิดเรื่องข้างนอกคนนั้นคนนี้คนโน้น เราคิดไปแบบนั้นคือเพลินเราจะคิดเรื่องข้างนอกคนนั้นคนนี้คนโ น, น้นให้เห็นอริยสัสตว์4คือความไม่เตี้ยงตามองค์ประกอบมิตรแปดอย่างโอเคดีแล้วคิดแบบนั้นหรือแม้จะคิดสิ่งภายนอกก็ไม่เรียกว่าส่งจิตออกแต่เรียกว่าการคิดอย่างมีระบบโยนิสมนสิการมีปัญญาแล้วคราวนี้น้อมเข้าสู่ตัวของเราตัา้ังตัวเราอยู่งไหนจิตของเราเนี่แหละ มาพิจารณาที่เจ้าตัวจิตของเราจิตมันอยู่ที่ไหนคนเรามันก็มีสองส่วนบ่างกายแล้วก็ใจส่วนที่จับต้องได้เป็นของแข็งของเหลวก๊าซตาหูจมูกลิ่นกายพวกนี้เรียกรวมกายส่วนที่เป็นนามมาธาทั้งหลายความคิดนึกอารมณ์ความรู้สึกพวกนี้เป็น intangible คือเป็นนาม ผูนี้เกิดขึ้นในช่องทางใจหรือเรียกชื่อหนึ่งก็คือรูปน้ำกายใจกายใจรูปน้ำมีสองส่วนบางคนรูปสวยรูปหลอ่อแต่ใจไม่ดีบางคนใจดีแต่รูปไม่สวยรูปไม่ลหล่อโดยสลับกันก็มีมีสองส่วนอยู่เสมอทุกคนถั้งฟังด้วยตัวกัปเจ้าด้วย พระพุทธเจ้าด้วยต่างก็มีสองส่วนคือกายและใจกายมีแต่จะตายไปข้างหน้าใช่ไหมละ่ะเพราะว่าเกิดมาแล้วมันก็ต้องตายแม้แต่พระพุทธเจ้าเองร่างกายท่านก็ย่อยสลายไปหายไปจิตใจนี่แหละที่มันเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดอยู่ตลอดเวลานะไอตรงที่ว่ามันตายแล้วเกิดใหม่นี่ เพราะมันม <Wells> ีเง erm ื่อนไขปัจจัยแห่งการเกิดดับของมันอยู่กายเราก็มีเงื่อนไขปัจจัยแห่งการเกิดมีเงื่อนไขปัจจัยแห่งการดับถี่ว่าคนที่ตายก็เราะว่าธาตุสี่มันประกอบกันอยู่ไม่ได้คนที่เกิดก็เพราะว่าธาตุสีมันประกอบกันจนเป็นชีวิตขึ้นมาได้แล้วมันก็เป็นการเกิดขึ้นมามีธาตุสี่ประกอบกันบวกกับอินทรีย์คือชีวิตบวกกับกรรมคือเป็นการเกิด มีเหตุแห่งการเกิดของกายมีเหตุแห่งการดับของกายใจก็เหมือนกันมีเหตุแห่งการเกิดของใจมีเหตุแห่งการดับของใจเกิดดับความถี่เงื่อนไขมันไม่เท่ากันอะความถี่ของการเกิดดับในช่องทางใจเนื่องจากมันเป็นนามมันก็จึงมีมากกว่าความถี่เนื่องจากเป็นรูปรูปยี่วะถ้าเป็นรูปใหญ่ๆมือที่เห็นได้ไม่ชัด เช่นร่างกายของเรานี่คุณรู้ไหมว่าในวันหนึ่งวันหนึ่งเซลล์มันตายเป็นหมื่นหแสนแเซลล์นะคือดูโดยมหาภาคโดยองค์รวมของร่างกายบันทีเราไม่รู้แต่ถ้าดูเจาะลงไปในอนุภาคเฮ้ยเออมันเกิดดับเกิดดับนี่เซลล์นี่ตายกันอยู่เป็นประจาเกิดใหม่อยู่เรื่อยถ้าเกิดใหม่ยังมากกว่าตายร่างกายเราก็ออยังดีอยู่แต่เกิดใหม่มันน้อยกว่าตายไปร่างกายก็เริ่มเสื่อมโทมลง ความหยาบความเรียบตรงนี้มันก็เป็นเงื่อนไขปัจจัยหนึ่งในการที่จะเห็นความเกิดดับถี่ห่างได้อย่างไรๆน้อมก็มาสู่ตัวราทุกวั ง, งสองส่วนกายและใจดูเนี่ยน้อมเนี่ยเพื่อเห็นความไม่เที่ยงของกายและเห็นความไม่เที่ยงของใจความคิดนึกน้อมก็มสู่ตัวเรานะกายเราประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลม มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดทำไมต้องอาศัยมารดาบิดาเพราะว่าไข่ของมารดากลับเชื้อของบิดาอาศัยคันของมารดาประกอบกันแล้วธาตุสีนั้นจะทำให้เกิดเป็นชีวิตคืออินทรีย์ขึ้นมาได้คือมันไม่เหมือนกับโรงงานนะทุกท่านโรงงานที่เราผลิตหุ่นยนต์ผลิตรถยนต์นี่กูโดนเหล็กคกูโดนด้ายมาประกอบกันนี่มันไม่ได้เกิดเป็นชีวิตขึ้นมาได้เพราะว่า มันไม่ได้มีเรื่องกรรมไม่ได้มีเรื่องวิญญาณเข้ามาประกอบได้แต่เพราะอาศัยคันของมารดาต่างหานบูฟังจึงมีวิญญาณมาประกอบตายให้เป็นชีวิตขึ้นมาได้มีการรับรู้คืออินทรีย์เกิดขึ้นได้เอาประกอบขึ้นมาแล้วอาศัยมารดาบิดาเป็นแดงเกิดเติบโตใหญ่ขึ้นมานี่ก็เพราะว่ามีข้าวสู่มีขนมสดโตใหญ่ขึ้นมาแล้วขนาดว่าต้องดูแลนวดเฟ้น ให้ยาให้อาหารมันยังแตกได้บางคนตายก็ตั้งแต่เด็กๆก็มีบางคนตา ย, ยาตอนยังเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มีแตกได้เปลี่ยนแปลงได้เจ็บไข้ได้เป็นไข้ได้บางทีก็หายเป็นไข้ได้บางทีก็ตายเออกายเป็นอย่างนี้มีความไม่เที่ยงอยู่แล้วกายกายกายเรานี่แหละกายก้อนนี้แหละดวมาฟังฟังเสียงอยู่นี่แหละถามว่า ถ, ถ้าเราเห็นกายของเราอย่างนี้มันกําหนัดได้ไหม โอ้ไม่ได้เลย น, นี่เป็นการหลีกออกจากกรรมแล้วเนี่ยโอ้เป็นสัมมาสังกปรานะา่ะแล้วเราคิดนึกไตรตรองใกล้ครุ่นอยู่เงี้คุณนําผิดศีลมาโอ้ผมไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการแล้วก็ไม่ได้พูดกับใครด้วยก็เป็นสัมมารกรรมันตาสัมมาวา จ, จาอยู่ในตัวคิดแบบนี้ไตรตรองแบบนี้ปัญญาเกิดนะเออก็เป็นสัมมาวายามาในตัวเพราะว่ากุศลธรรมคือปัญญาเกิด ความรุ่งหลงเพลิดเพลินไปนในกายคือกามคือความเพลินลดลงกุศลเพิ่มอักกุศลลดนี่คือสัมมาวยามะเวลาเราเพ่งจดจออยู่นั่นคือสมาสติแล้วพอจิตเป็นอารมณ์เดียวจากการที่เราพิจารณาใกล้ครัวนี้จิตที่เป็นอารมณ์เดียวนั้นก็คือสมาสมาธิเวลาเราเห็นกายแบบนี้ ช่งทางใจที่มาเกาะอาศัยเนื่องด้วยกายเพราะมันจะมีตัวเชื่อมคือวิญญาณกายกระจายเชื่อมกันอยู่ด้วยวิญญาณจิตนี่แหละทูฟังที่ไปยึดถือกายนี่แต่วความเป็นตัวตนจิตนี่แหละทูฟังที่ไปยึดถือนามยึดถือความคิดยึดถือความรู้สึกว่าเป็นตัวตนยึดถือว่าเป็นตัวตน เ, นเป็นยังไงเปรตเที่ยวชนตายนะทูฟังนะ ที่ราบอกว่าไม่เทียงไม่เทียงใช่ปะ่นถือนนิจังที่เราบอกไม่ใช่ต exactly ัวตนไม่ใช่ตัวนั้นเรื่องอนัตตาใช่ไหมแล้วถ้าส่วนต่างของอนัตตามันคืออัตตาเนี่ยเป็นตัวตนเป็นตัวตนหนึ่งมันเป็นยังไงเป็นตัวตนคือเป็นตัวตนเนี่ยเป็นของเราขึ้นมาเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเป็นของเราเป็นของเราเป็นของเราเพราะความยึดถือ เขาไปยึดถือด้วยว่าสิ่งนั้นเป็นตัวตนหมายถึงเจ้าคือกายนี้คือรูปเจ้าคือความรู้สึกนี้คือน้ำจงเป็นอย่างนี้อย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเลยหรืออย่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเลยจงเป็นอย่างนี้อย่างนี้เถิดอย่าเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นจากที่มันเป็นอยู่นี้เลยจงเป็นอย่างนี้หรือจงเป็นอย่างนั้น อย่าเป็นอย่างนี้หรืออย่าเป็นอย่างนั้นคือถ้ามันได้ตามเท่าที่เราปรารถนาใช่ไหมนั่นะคืออัตตาไงได้ตามที่หวังจัดไปถ้ารูปจะเป็นอัตตาแล้วใสเราจะได้ตามปรารถนาดังนี้ว่ารูปจงเป็นอย่างนี้เธอจะเป็นอย่างนั้นเลยถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างทุกวังมันก็ไม่ต้องอาศัยเงื่อนไขปัจจัยใดไง ถ้าบอกว่าใครจะได้อะไรตามที่ตนต้องการอ้อนวอนขอแล้วใส่กำลังในโลกนี้นะจะไม่มีใครเสื่อมจากอะไรโรงพยาบาลปิดไปเลยสารสถิตยุติธรรมยกเลิกเลยหลุมศพล้างไปเลยไม่ต้องมีทำไมอ่ะเอาก็จะกุณป่วยแล้วคุณก็ขอให้มันหายมันก็หายดี่ คุณจะแก่แล้วคุณจะตายก็จะขอวเอออย่าเพิ่งแก่เลยอย่าเพิ่งตายเลยมันก็ไม่มีคนตายดิถ้าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมเพียงแต่หวังว่าเออความยุติธรรมมันจะเกิดงอมืองงอเท้าอยู่แล้วความยุติธรรมมันเกิดมันก็ดีเดยแต่ว่าสมานผูฟังในโลกนี้เนะี่ยมันเป็นตามเงื่อนไขปัจจัยมันไม่ใช่เป็นไปนตามที่เราจะหวังหรือคาดหรือขอ ว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วมันก็เป็นอย่างนี้อะไรอย่างนั้นตามที่เราต้องการเนี่ยมันไม่เป็นไงท่าฟังเดิมทีมันอาจจะฟลุกๆเหมือนกันได้อยู่นะเช่น ถ, ถ้าเราต้องการตามเงื่อนไขปัจจัยที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยเออมันก็เป็นอย่างนั้นที่มาไงมันนี่แหละคือ weakest link คือจุดอ่อนอยูนี้จุดอ่อนว่าพอเราทําอะไรตามเงื่อนไขปัจจัยนันเป็นอนันตรายอยู่แล้วใช่ปะ่ะแล้วเฮ้ยมัน เออเหมือนกันเลยตามที่เราอยากนี่ตามที่เราต้องการตามที่เราขอไวเช่นขอให้สอบผ่านน่ะเราเกิดขยันอหนังสือหรือมันไปอ่านตรงที่มันจะออกข้อสอบพอดีก็เลยสอบผ่านขึ้นมาอ๋อโต้ฉันอยากสอบผ่านฉันก็สอบผ่านนี่ไงพอมันตรงกันปุ๊บฟลุกปุ๊บนี่มันเพลินดันดีก็เลยคิดว่าไอ้แหมฉันนี่เก่งกันนะเออเป็นตัวตนขึ้นมาล่ะ เป็นอันตายกันหมที่มันเป็นอนัตตายอยู่ตนโดแขนขาของเราเนี่ยขยับได้อยู่แล้วเนี่ยเพราะร่างกายของเรามันออกแบบมาอย่างนี้คุณจะงอเข่าไปทางด้านหลังเหมือนนกไพรมิงโก้มันมันจะไปได้ไงถ้างองั้งนเข่าก็หักไดิเขาเราต้องงอมากหนา้านี่ร่างกายมนุษย์เป็นอย่างนี้แล้วเรางอได้ยกได้ยืดได้ย่างได้เพราะร่างกายมันออกแบบให้ตามเงื่อนไขของมันอย่างนี้แล้วเราทําได้ มันก็ถูกต้องอยู่แล้วเป็นอ น, นัตตายอยู่แล้วถูกไมละ่ะแต่ถ้าเราเผลอเพลินไปตามความที่เราทําอ น, นัตตาเงื่อนไขปัจจัยนั้นอ่ะได้นี่ยถ่าคุณขยันลูกคุณก็ได้เงินแล้วคุณเพลินไปตามเงินทองชื่อเสียงที่ได้รับคุณคิดว่าจะขยับแขนขยับขาไปทางนี้เดินอย่างนี้พูดอย่างนี้แล้วเราก็พูดได้เดินได้นี่ยเป็นอ น, นัตตาอยแล้วนะเพราะเขาอาศัยเงื่อนไขปัจจัยของเขาอยู่ถูกไหมเราทําตามเงื่อนไขปัจจัยแล้ว ก็สบายๆแล้วเป็นอนัตตาใช่ไหมปหัญหามันคือถ้ารเราเพลินใบพอใจไปลุ่มหลงไปตามสิ่งที่เป็นอนัตตานั้นนั่นแหะความเพลินความพอใจนั้นคืออุปทานความยึดถืออุปทานความยึดถือเกิดขึ้นในสิ่งที่เป็นอนัตตานั้นนั่นแหละอุปทานเกิดขึ้นในสิ่งที่เป็นอนัตตามันก็ทําให้เห็นเข้าใจว่าสิ่งที่เป็นอนัตตานั้นน่ะเป็นของเรา เป็นตัวตนของเราเป็นเราเป็นอัตตาขึ้นมามันประหลาดไหมท่านฟังคือมันประหลาดแบบมันประหลาดแบบอันตรายมากเลยมันประหลาดแบบหลอกลวงมากๆเลยทนโทษเลยว่าเห็นสิ่งที่เป็นอนัตนตาว่าเป็นอัตตาขึ้นมาทางทางี่มันก็เป็นอัตตาอยู่ทนโทษเลยนะแต่ว่ามันก็เป็นอัตตาขึ้นมาไงความเพลินไงท่านฟังมันําไม้เราไม่เห็น นั่นคืออวิชามันบังเอาไว้มันบอดเหมือนหมามันไม่รู้หรอกว่ามันผูกอยู่ไปมามันก็ถูกรัดตึงอยู่นี้ไปไหนไม่ได้หาต้นตอไม่เจอไม่ปรากฏที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายถูกล้อมเอาไว้ผูกไว้ด้วยตันหาบังไว้ด้วยอวิชชาไม่เห็นเพราะว่าเพลินเพลินปุ๊บพวกนี้ตามมาทันที คำวิชาตณหาเราก็ต่อด้วยความเศร้ามองต่างๆราคาโทสะโมหะคิดโทษคนนั้นคนนี้สงจิตเอาหมดเอาใหม่ท่งฟังเอาใหม่เห็นด้วความเป็กอ่อไม่เที่ยงใช่ไหมละ่ะพิจารณาเข้ามานี่จิตนี้แล้วไม่เที่ยงเกิดวิบเวนประจำเห็นความไม่เที่ยงเอาว่าเป็นอนัตตานี่นะเออใช่เห็นเป็นอนัตตาเออไม่ใช่อาตาของเรานี่ไม่ใช่แล้วก็ไม่ขึ้นกับเงื่อนไขปัจจัย ซึ่งเงื่อนไขประจัยนั้นมันทีเราก็ควบคุมได้มันทเราก็ควบคุมไม่ได้ควบคุมได้ก็ดีควบคุมไม่ได้มันเลยจะบอกว่ า, วาไม่ดีเพลินและ้วมันไม่ดีเราจะบอกเรากควบคุมได้หวังได้ว่าสิ่งนี้จงเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นนั้นเลยอยเพลินนะถ้าเพลินปุ๊บนี่คุณก็ไปตกหลุมเดิมไปเหมือนเดิมแต่ไม่เพลินนะ่ะไม่เพลินก็มีสติไงมีสติพิจารณาอยู่ตามนัยยะของอริยสัจสีมรรคแปดนี่ อยู่นิโสโตวมนสิการอะไรเกิดอยู่นิโสโตมนาิการแล้วปัญญาก็เกิดไงปัญญาเกิดแล้วอะไรหายไปปัญญาเกิดแล้วไอ้พวกอกุศลมีความยึดถือนี่แหละมันหายไปที่เราจะไปเพลินความเพลินความพอใจใดนั้นคืออุปาทานใช่ไหมแต่พอเราตั้งสติไว้เห็นตามความเป็นจริงไม่เพลินไม่พอใจไปตามอะไรไม่เพลินไม่พอใจไปตามกันหน้าละความไม่เพลิน ความไม่เปลินั้นอุปทานก็หายไปไงความไม่เปลยนความไม่เพลย อ, อุปทานหายไปก็คือเหมือนกับเอามีดที่คมคมนั่นแหละปาดลงไปตรงนี้กำจัดเจ้าความยึดถือให้ไปยึดถือนามยึดถือรูปโดยความเป็นตัวตนนั้นออกไปนามรูปใจกายจิตไปยึดถือยึดถือโดยความเป็นตัวตนในนามรูปใจและกาย พอพิจารณาอย่างนี้ปัญญาเกิดปัญญาเกิดแล้วปัญญามันอัตโนมัติหน่ะหน่วงเพราะไม่เหมือนกับว่ามีเรดาร์คือสติอยู่แล้วใช่ไหมเวลาปัญญาเกิดปุ๊บมันฟันออกลงเลยทันทีฟันลงไปตรงความยึดถือน่ะมันทันทีเลยเกิดปุ๊บฟันปั๊บเกิดปุ๊บฟันปั๊บไอ้ความยึดถือมันก็หลุดล่อไปโดยอัตโนมัติแรลงเราใส่เข้าไปใส่เข้าไปมันก็ขัดไอ้เจ้าสิ่งโสโครกคราบทีนฝังลึก มันก็หลุดออกหลุดออกอัตโนมัติอัตโนมัติเหมือนติดไร้ด้าเลยเราพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงดูความเป็นก่อไม่เที่ยงดูความเป็นก่อไม่ใช่ตนความยึดถือมันหลุดล่วงออกไปทันทีทันทีพอเห็นตามความเป็นจริงแล้วไม่ยึดถือไอ้สิ่งนั้นที่มันเป็นอนัตตากับมันอยู่เดิมมันก็เป็นอนัตตากองมันอยู่เดิมนั่นแหละไม่ว่าเราจะยึดถือหรือไม่ก็ตามไม่ว่าเราจะเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นอัตตาหรือไม่ก็ตาม มืนก็ยังเป็นอนัตตาของมันอยู่เดิมนั่นแหละประเด็นก็คือพอมันเป็นอนัตตาของมันอยู่เดิมมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขปัจจัยของมันใช่ไหมล่ะแต่พอเราไม่ยึดถือแล้วเราจึงไม่สะดุ้งไม่สเตือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่เป็นอนัตตาที่มันเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขปัจจัยนั้นไม่เลยไม่สะดุ้งสเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งนั้นที่ยึดถือมันจึงสะดุ้งไปตามไง ตอยึดถือโดยการเป็นปตัวตนแล้วมันเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขปัจจัยของมันเป็นอย่างอื่นจิตเราจะสะดุง้งแต่พอด้วยปัญญาเห็นแล้วว่าเอ้ยไม่เที่ยงนะนี่นะเฮ้ยไม่ใช่ตัวตนหรือนี่นนะอัตโนมัติความยึดถือมันเด้งออกปุ๊บสิ่งนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามเราจะไม่สะดุง้งความไม่สะดุ้งนั้นนั่นนะ่ะคือไม่ทุกข์เลยความสะดุ้งมันคือทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้จิตเราก็เปลี่ยนเปลี่ยน มันก็ทุกทุกทุกทุก p r a สะดุ้งแต่พอไม่สะดุ้งมันก็ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ย น, นก็อยู่ในสภาพเดิมได้นั่นก็คือไม่ทุกเลยจิตไม่ทูกนะดูวังจิตพ้นจากทุกได้จะดับทุกก็ต้องดับที่เจ้าตัวทุกจะกําจัดเจ้าความยึดถือก็ต้องตรงความยึดถือนั่นแหละเพราะฉะนั้นปัญญามันจะใสลงไปมันก็ต้องใสลงไปตรงความยึดถือนี่ จะใส่มากแปลงไปปรุงแต่งมากแปดให้เกิดค้นก็ต้องใส่ลงไปตรงขันห้านี่คำตอบมันก็อยู่ตรงคำถามนั่นแหละคำถามชงมายังไงคำตอบก็อยู่ตรงนั้นแหละเข้ามาทางไหนตรงนั้นก็คือทางออกนั่นแหละตรงยึดถือใช่ไมล่ะก็ต้องกำจัดความยึดถือถทุกใช่มล่ะก็ต้องดักที่ตัวถูกทำยังไงถึงจะดับได้นี่มันมีเส้นทาง มังแปนี่จะเป็นเรื่องสำคัญในตู้ฝังมักแปดจึงเป็นหนทางที่ท่านสอนเป็นเรื่องที่อรองลงมาสูสีกันมากขันห้ากับมักแปดนี่เป็นสองเรื่องที่สอนมากที่สุดมัก8ดน้อยกว่านิดหน่อยขันห้ามากกว่านิดหน่อยมักแปต้องใส่อยู่ในขันห้าคำถามมันจะเป็นคำตอบอยู่ในตัวคำตอบมันต้องมากกว่าคำถามท่านให้ไว้ทั้งคาถาม บอกโจทย์ให้บอกวิธีคิดให้ด้วยคือเวลาจะแก้สมาการต้องแก้อย่างนี้คำตอบนี่คือตอบอย่างนี้วิธีทำทาอย่างนี้บอกทั้งคำถามบอกทั้งคำตอบไว้เราเอาคำถามคำตอบนี่มาพิจารณาแล้วจะไม่ตัองวังนะจำไม่ได้จำไม่ได้เวลาเกิดเรื่องอะไรแล้วให้ตอบอย่างนี้จำไม่ได้นั่นคือตั้งสติ อยู่กับลมใจเรานี่แหละเพราะตั้งสติอยู่กับลมที่เราจะไปทําความชั่วทางกายเป็นมิจฉาสังกปะมันจะไม่มีมันจะแยกแยะได้ถ้าจะไปพูดชั่วเป็นมิจฉาวาจามันไม่ได้มันก็จะมีสัมมาวาจาสั ม, มังกัมมันตะความคิดนึกตรึกตรึกจะไปเบียดเบียนเขาไม่ได้แล้วมันก็จะเป็นสัมมาสังกปะแทนศีล ส, สมาทิปัญญาก็อยู่ที่นี้รักษาจิตของเราที่มีความสงบเนื้อว้ให้ดีทุกฝั่ง รักษาไวด้ดีรักษาด้วยสติตั้งไว้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในช่องทางใจของเราเห็นแล้วด้วยความเป็นอนัตตาวางความยึดถือนั้นเสียจิตก็เราไม่ใช่ตัวตนเรยไปยึดว่านี่จิตของเราไม่ใช่จิตมันเป็นแค่ตัวแปรตัวหนึ่งที่จะเปลี่ยนปแปลงไปตามเงื่อนไขไม่คงที่ไม่คงตัวเกิดได้ดับได้ เป็นธรรมชาติของเขาอย่างหนึง่งตัวเราเป็นอย่างนี้แหละเข้าใจยอมรับมันอยู่กับมันได้ปัญญาเกิดทันทีทุกวังปัญญานี้นะเป็นส่วนของปัญญาจากพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้เราเข้าใจตามนี้ชื่อว่าเราเป็นผู้มีส่วนแห่งปัญญาของท่านปัญญาใดความเพียรใดความศรัทธาใดที่ท่านมี ตะว่าท่านมีคนเดียวกาหาหม่เราพิจารณาตามนี้ทำตามนี้ก็ชื่อว่าเรามีส่วนแห่งปัญญานั้นมีส่วนแห่งความเพียนนั้นมีส่วนแห่งศรัทธานั้นด้วยคุณมปังเป็นผู้ที่ประกอบด้วยปัญญามีศรัทธาและทำความเปลี่ยนให้ถึงความสิ้นถุกใหได้ในช่วงของจิตตวิเวกจะมาพบกับธรรมฟังในรายการธรรมาราบรุนโดยมนิธิปัญญาภาวนา เป็นประจำในทุกวันทึการตั้งแต่เวลาตีหถึงหโมงเชา้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสีย ง, งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ปัญญา .ORG สจ้าพระมหาไปบู์กับพี่พุนโนนกแลพบกันม่ในวันพรุ่งนี้จุลปนัน